เห็นได้ข่าวว่าที่วัดสะเกตเขาได้พระาธาตุมาอีกไหพระาธาตุเมื่อรัชกาลที่หให้เจ้าพยาโยมราชปั้นสุขุมแกเป็นคนไปรับพระาธาตุที่ได้จากก บ, บิลพัฒนรัชกาลที่หท่านให้มาส่วนลูกหลานเนี่ยเอามาถวายคืนไว้วัดสะเกตสมัยที่ไปรับพระาธาตุมาที่แรกกรมพยาดำรงท่านไปดู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 เป็นเม็ดๆเดงา อ, ออกมามีหลายแบบกระดูกหลวงพ่อก็เคยเห็นของครูบาอาจารย์นะแปลทีแรกมันใช้ๆเยิมเยิมนะใสๆออกมากเยิมเยิมเมื่อก่อนมีหมอคนหนึ่งชื่อหมอเวยหมออวยเกศสิงเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่เป็นหมอมีเชื่อเรื่องพระธาตุมีคนให้พระธาตุหลกงปู่มั่นมา แกดูนี้มันผลึกอะไรก็ไม่รู้เป็นคริสตันสงสัยแกไปบทนะใจเด็ดจริงๆเลยเไปบทแล้วไปสองไปตรวจเซลล์ตรวจ เ, เลยบอกให้มันกระดูกจริงๆบอกกระดูกคนธรรมดาก็แปลได้ถ้าอยู่นานๆแนละ้วมีแรงกดดันสูงก็แปลได้ที่ไต้วันที่อะไรนี่เขาก็มีบริการเผาศพให้กลายเป็นพระาธาตุเขาทําได้นะ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 ฉันมหาบวก็ว่าอย่างนี้แหละะท่านเลยบอกว่าพระธาตุหลกปุมั่นที่ท่านมีนะ่ะไม่เป็นพระธาตุเป็นกระดูอยู่อย่างนัหละพอให้คนอื่นไปแล้วก็เป็นพระท่านไม่สนใจท่านเป็นนักปฏิบัติหลวงพ่อก็ไม่สนใจเรื่องพวกนะี้ตัวสําคัญก็คือเราล้างกิเลสได้ไหม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 แต่เขาเชื่อนะว่าเนื้อหนมันเป็นยาอายุวัฒนะนจุนทาได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าชนิดผ่านก็นาหายาอายุวัฒนะมาทำให้ฉันให้สวยถูกทำไม่ดีมัก็เทือนช้ำพิษเนี่ยเข้าในเนื้อใครรู้จักลูกเนียงมั้งลูกเนียงลูกเนียงนะถ้าตกกระแทกแรงๆนะพิษเข้าไปในเนื้อเหมือนกันมีพิษเหมือนกันแต่ไม่แรงไม่แรงมาก ก็สไตล์นั้นพระพุทธเจ้านิพพานไปตั้งนานเรื่องราวของท่านยังอยู่คําสอนของท่านยังอยู่เพราะมันมีประโยชน์ที่จะรู้อย่างเรื่องของปู่พวกเราพวกเรารู้ไหมเรื่องปู่ยญาติยายเราหลวงพ่อก็ไม่รู้พารู้ไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหมเคยเห็นตอนเราเล็กๆเราก็ไม่รู้จักแต่เรารู้เรื่องราวของพระอานนท์เยอะกว่าอีก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 พระอรหันต์สมัยพุทธกาลท่านสอนอะไร น, นี่ชัวร์กว่าชัวร์แน่ๆอย่างพระนนท์ท่านก็สอนไว้เยอะสารีบุตรท่านก็สอนไว้มากสององค์เนี้สอนเยอะมีคำสอนดีๆมากมายเลยถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราต้องลงมือทําด้วยลงมือปฏิบัติการปฏิบัติทำในพระพุทธศาสนาเขาหนีไม่พ้นเรื่อง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 ความจริงสติปัฏฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแทนที่กันไม่ได้ในสติปัฏฐานมีทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันเงินเวลาพระพุทธเจ้าสอนชาวกุรุพวกกุรุเนี่ยฉลาดมากมีบารมีสูงท่านสอนสติปัฏฐานท่านไม่ต้องสอนอะไรมากเลยท่านรวม ทัสมถาทานะทั้งมิปัสสนานั้มาอยู่ในสติปัฏฐานแนละ้วสอนพวกกุรุพวกกุรุภาวนาเป็นนะไม่ต้องแยกละเอียดพวกนี้ปัญญาขอกล้าท่านสอนธรรมะลึกซึ้งสือสติปัฏฐานให้ไม่ได้สอนคนอื่นสอนพวกกุรุก่อนนะพวกเดลีมนะิปัสสนากรรมฐานะไม่เหมือนสมถนะสมถนะเนี่ยทำไปเพื่อให้จิต มีความสุขมีความสงบมีความดีในจิตเราฟุ้งซ่านเราทําสมถะเพื่อให้จิตสงบจิตเรามีความทุก่อทําสมถะเพื่อให้หายทุกข์จะได้มีความสุขจิตไม่ดีเช่นมีราคะทําสมถะกรรมฐานเพื่อจะข่มราคะเช่นพิจารณาปฏิคูณอสุภะก็ข่มราคะมีโทสะอันนี้มันไม่ดี ทำสมถะกรรมฐ า, านเจริญเมตตานะก็หายจากโทสะนะนี่เรื่องของสมถะกรรมฐ า, านนะทำให้มีความสุขทำให้สงบทำให้ดีถ้าเราปฏิบัติรำเราก็มุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีก็ไปทำสมถนะแล้วที่ทำเนี่ออกไปสมถะทางนั้นเลยส่วนใหญ่กระทั่งที่ว่าทำวิปัสสนาวิปัสสนานะส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ที่สมถะ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 เป็นการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆบางทีก็แยกในแง่มุมของขันห้าที่ก็แยกในแง่มุมของอายตนะ6ที่ก็แยกในแง่มุมของธาตุ8ทธาตุก็ แ, แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแล้วพบว่าไม่มีตัวเราเมธวิปัสสนาทำไปนะั้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน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 ผูกพันรักใครไม่อยากคืนเจ้าของอยากอยู่นานๆหันไปหันมาอยู่มานานแล้ว ม, มันไม่เคยมาสนใจนะเขาสงสารเราให้เรายืมอยู่ไม่ต้องเก็บค่าเช่าด้วยอยู่มานานเราคิดว่าครอบครองโดยก็เรียกเลยโดยปลปัก <c oughs> พวกเรานี่แหละพวกครอบครองโดยปลปักเรายืมขันห้ามาใช้นะร่างกายนี้เป็นวัตถุใช่ไหมทุกวันนี้กิกนข้าวกินอะไรก็วัตถุเท่านะั้นเลย ยืมวัตถุของโลกมาใช้นะแต่ครอบครองไม่ไม่คืนห่ะหวงรักที่สุดเลยไม่ยอมปล่อยที่ไม่ปล่อยเพราะว่าคิดว่ากันห้ามันนําความสุขมาให้ได้หรืออายตนะนําความสุขมาให้ได้มีตาก็ได้เห็นของสวยก็มีความสุขมีหูก็ได้ฟังของเพราะๆของดีๆในฟังคํายกย่องสรรเสริญนําความสุขมาให้มีจมูกก็ได้ดมอะไรหอมๆก็นําความสุขมาให้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 กินก็ทุกนะไม่กินก็ทุกหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกนี่แต่ทุกล้วนๆเลยดูของจริงเข้าไปเราอย่าละเลยนะโมแต่คิดแต่ถึงความสุขละเลยที่จะรู้ความจริงของขันของธาตุของอายตนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกมากทุกน้อยเท่านั้นเองช่วงไหนทุกน้อยเราก็โมเมว่าช่วงนี้มีความสุข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 เราเพ่งเพ่งนะเรายังไม่ไม่รู้สึกมากถึงขนาดต้องไปเปิดไฟอ่านหนังสือเพ่งเพ่งเพ่งเครียดนะเครียดแต่ไม่รู้อ่ะมันเครียดนิดๆมองไม่มอ ง, ไ ม, มองไม่ออกให้คนทั่วทั่วไปเนี่ยพวกเรานี่ยแหละนะทุกข์อยู่แต่ไม่รู้ว่าทุกข์อ่ะทุกข์เราไม่รู้ว่าทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นในกายตลอดเวลานานๆเห็นทีหนึ่งทุกข์เกิดขึ้นในใจตลอดเวลานะนานๆเห็นทีหนึ่ง มันก็เลยหลงเพลินคิดว่าร่างกายเนี่ยมีความสุขเยอะมีทุกน้อยจิตใจก็มีความสุขเยอะมีทุกน้อยถ้าหัดรู้หัดดูหัดสังเกตเนะี่ยจะเห็นในทุกเรื่องนั้นเลยร่างกายนั่งอยู่ก็ทุกข์รู้สึกอยู่ในกายสิอย่าลืมร่างกายรู้สึกอยู่ในกายแล้วจะเห็นม่มีแต่ทุกข์นะเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็คันนะเนี่ยเกากันยุกยุกยิกยกนะหลวงพ่อเทศเดี๋ยวลืมคันเลยไม่ได้เกานะ ้มันมีไมมขันมั้ยมีความทุกข์ม่เกิดตลอดเวลาจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากจิตใจอยากตลอดเวลานะพระระหารันท่านละความอยากได้แล้วละตัณหาได้สนิทแล้วเพราะงั้นพระระหารันเนี่ยไม่มีความบีบขันทางใจไม่มีทุกข์ทางใจเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกาย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 ดูไปดูไปจิตใจไม่ใช่ของดีของวิเศษนะจิตว่าปล่อยวางจิตไม่ยึดถือจิตมันยังเห็นร่างกายเราเห็นบ่อยๆเมื่อร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ตลอดเวลาเลยเห็นบ่อยๆมันก็ไม่ยึดถือกายะเห็นจิตมันเป็นทุกข์บ่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ยึดถือจิตหนีก็ไม่ได้นะก็ต้องอยู่กับมันไปอต่นี้ไม่ได้อยู่กับมันไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็นกลางกับมันจะเป็นกลางกับมันแท้จริงนะปัญญาแจ่มแจ้งเลยว่าขันห้านี้ทุกข์ล้วนๆนะ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 แล้วเห็นความจริงของกายของใจได้ก็คลายความยึดถือไปนะก็พ้นทุกไปนะเอาเท่านี้ก็พอเนาะไปทานข้าวไป